ตีสรู้สึกว่าฝนลงแรงพอสมควรนะตกชุ่มเย็นชุ่มฉ่าไปหมดแล้วก็วันก่อนก็ตกแลวใบไม้ในวัดของเรากำลังเกี่ยวชวอุ่มขึ้นมาแต่ก็ขาดช่วงไปนานในช่วงเดือน กลุมภาครับมีนานะโอ้รู้สึกฝนขัดช่วงยาวนานแต่พอปลายเดือนช่วงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาฝนตกรอบหนึ่งรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็แต่ก็วันที่สี่ที่ห้าเมษาห้าเจ็ด ตกอีกรอบนึงรู้สึกว่าเย็นลงเยอะแยะแต่สองสามวั น, นก่อนๆหน้านี้รู้สึกว่าอากาศอบอ้าวมากแล้วก็หลวงพ่อทีแรกผมพ่อจะลงกรุงเทพกิจนิมนต์สองครั้งนะสัายาญาติอมลูกหลานครั้งแรกก็เคิด ว, ว่าจะลงงาน ของท่านเลขานายกที่ท่านเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดของเราอายุของท่านก็เจ็ดสิบกว่าแล้วละ่ะท่านมรณะของพ่อก็ที่ว่าจะลงไปที่วัดมางกุช่วงนั้นก็มีการเดินขบวนกันในกรุงเทพขบวนใหญ่วันที่สิบเก้ามีนาก็เลยดูๆแล้วก็ คงจะไปเกะ ก, กะเขาเขาเกะ ก, กะเราไม่รู้ใครเกะ ก, กะใคระคนะมันคงไม่สะดวกคะเลยยกเว้นบอกไปทางเจ้าภาพว่าไม่สะดวกแต่เมื่อวานก็คิดว่าจะลงไปอีกไปพักที่สวนแสงธรรมวันนี้เป็นวันจะหาทองคำเข้าขคลังหลวงสืบเนื่องคะผมพ่อคิดว่าจะลงวันลงเมื่อวานแต่พอก็มีปัญหา เกี่ยวพผู้ที่จะเดินขบวนทางพุทธมนฑนอีกหลวงพ่ออื่นเดี๋ยวเลื่อนมาวันนี้ก็คงจะเสร็จละมั้งบากคุณลงพ่อฉันจะหันเสร็จแล้วคงจะเดินทางวันนี้ก็คงไม่ไปไม่นานช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกเหมือนกิด อ, อยู่ในวัดอะแต่อยู่ในวัดสะดวกไม่ต้องเดินทาง เดินทางก็เกะกะวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุพี่น้องประชาชนต่างคนก็ต่างออกมาธุระของใครของเราเพราะนั้นเราอย่าไปยุ่งในขณะที่เขามีภาระธุรกิจของเขาเราอยู่เป็นพระป่าพระดคงอยู่ในวัดอยู่ในเงียบสงบดีกว่าเพราะนั้นเวลา จะไปข่าวนี้เขากินที่มนสำคัญะพอที่มนเสร็จแล้วก็ไปสักวันสองวันคงจะกลับมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอีกไม่กี่วันก็เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นวันปีใหม่ไทยคนไทยของเรานี่ถือหลายวันปีใหม่เหลือเกินผู้ที่จะทำคุณงามความดีก็พร้อมที่จะทาคุณงามความดีได้ผู้ที่จะส น, ส น, นุนกส น, สนานไปในทางอบายยมุกก็สนุกสนานไปในทางอบายยมุกได้ สุดแท้แต่ใครจะเลือกพอโลกในโลกหาได้จะหาอันไหนใส่ตัวเองก็ได้จะหาความดีหาความชั่วหายศตำแหน่งหาความหายณะหาได้ทั้งนั้นโลกนี่หามักหาผลหาสวรรค์นิพพานหาความสุขหาความทุกข์โลกในโลกหาได้ แต่สุดท้แต่พวกเราจะหาอะไรเข้ามาสู่ตัวของพวกเราอันนี้เป็นคําวลีหรือคําพูดของคุณแม่ชีแก้วที่นําคําพูดของท่านมาพูดพูดที่ไรก็หลวงพ่อถูกต้องทันสมัยท่านบอกว่าโรคนี้โลกหาได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่คือแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกหลานลูกของหลวงปู่มั่นสืบทอดมาแต่พวกเราในฐานะหลานหลานเหลนของหลวงปู่มั่นแนวปฏิปทาแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเรามองดูยึดแนวแถวปฏิปทา ที่หลวงปู่พาดําเนินและก็ลูกของท่านาวางแนวแถวเอาไว้อยู่แต่และองคอ์ก็เป็นแนวแถวที่พวกเราจะต้องได้เรียนรู้เพื่อได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาที่ท่านทำมาเล็กิดเอาไว้มากมายตลอดถึงประวัติของท่านาหรือท่านก็ได้เขียนประวัติ ของหลวงปู่มั่นเอาไว้อีกแล้วก็ท่านได้เขียนแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่ละองค์แต่ละครูบาอาจารย์ในยุคนี้แต่ถึงจะไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อแต่ถ้าว่าพูดอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ท่านหลวงพ่อได้อ่านหลวงพ่อจะรู้ได้ว่าอันนี้หลวงตาพูดถึงเรื่ององค์ไหน มีที่ไปที่มาทั้งหมดเพราะว่าทางว่าท่านระบุชื่อว่าองนี้องนั้นบรรดาลูกสิทษิ์ของแต่ละองท่านอาจจะออกมาต่อต้านหรือออกมาแสดงความไม่พอใจหรือพอใจเพราะนั้นมีแต่แนวปฏิปทาของท่านออกมาเขียนแล้วก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายเป็นแนวทาง ประพุธปฏิบัติที่ท่านได้เขียนแต่ละองค์ท่านก็ได้ไปสืบสอบเพราะเป็นรุ่นของท่านก็ได้พูดแนวปฏิบัติแนวปฏิปทาของแต่ละองค์เท่าสู่ท่านฟังหลวงตาก็ได้มาเขียนจึงเป็นจึงมีหนังสือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ปฏิปแล้วก็ประวัติหลวลงปู่มั่น แล้วก็จดน้ำบนใบบัวของหลวงตาถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านหนังสือสามเล่มนี้ก็จะรู้แนวทางปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้พาดาเนินท่านบาัดพาดาเนินอย่างไรท่านอยู่ป่าอย่างไรท่านฉันอาหารอย่างไรท่านปฏิบัติยังไงจุดมุ่งหมายของท่านในจิตในใจของท่านนั้นคืออะไรพวกเราก็พอจะ นึกเดาออกหรือว่านึกเดาได้หรือว่าคาดการได้ว่าแนวแถวที่ท่านมุ่งหวังหรือว่าท่านท่านมุ่งหมายนะั้นคืออะไรจากนั้นเมื่อเราได้ศึกษาแล้วถ้าเรายังสงสัยอยู่เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยถ้าว่าถ้าไม่จริงก็ไม่น่าจะหลายองค์ถึงขนาดนี้ อันนี้หลายองค์เหลือเกินก็พูดแนวแถวเดียวกันทั้งหมดพวกเราก็ไม่ควรจะหัวดื้อหัวรันจะไม่เชื่อดันทุลังไปทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะท่านพาดำเนินอย่างไรท่านพาดาเนินอย่างไรแนวที่ท่านปฏิบัติแต่หลวงปู่มั่นท่านก็นสอนเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนบอกว่าหายภาวนากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรม ให้มีคำบริกรรมด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือหลวงปู่มั่นสอนบรรดาลูกสิทธิ์ของท่านเพราะลุกสิทธิ์ของหลวงปูม่มันทั้งหมดท่าห่างว่า ย, ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นแนละ้วท่านจะสอนลักษณะนี้ทั้งหมดให้ภาวนาพุทโธทนะเท่านั้นแหละแต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานเกิดมาสุดท้ายภายหลังให้ภาวนาพุทโธนะ แต่ไม่รู้จะทำยังไงภาวนาพุทโธกำหนดอะไรเรีอกไปที่ไหนก็พุทโธพุทโธก็ได้มันก็ถูกแต่ถ้าหากว่าให้ถูกทางถูกวิธีการเราก็ต้องหามุมสงบเพื่อจะสงบสงบจิตสงบใจของพวกเราหามุมสงบมุมไหนสงบในบ้านของเราหรือในวัดของเราหรือในสถานที่เราอยู่ในจุดนั้นในช่วงนั้น มุมสงบจากนั้นก็หามุมสงบเสร็จแล้วก็นั่งจะ่นั่งเพ้อเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ท่านตามปกติให้ท่านท่านให้นั่งขัดสมาธิพอน a n งขัดสมาธิคือเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเอาจริงเอาจังนะเป็นเรื่องจริงจังสำหรับเราแล้วอันนี้เราจะนั่งสมาธิหน้เนี่ยคล้นะคายๆแบบบอกก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่เขาเป็นฆรวาสเมื่อเป็นฆรวาสเราก็ไม่จริงจัง แต่เข้ามาปงผมใส่ ย, ยูนิฟอร์มนี้เข้ามาเนี่ยเออเอาจริงแล้วนะทีนี้เป็นพระแล้วนะนี่แหละลักษณะอย่างนั้นะการนั่งภาวนาก็ลักษณะนั้นเหมือนกันถ้าเรานั่งธรรมดามันก็ไม่จริงจังแต่พอนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย น, ะนี่แหละจริงแล้วบาดบัดนี่จริงเลยข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิแหละนะจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าอบริกรรมพด หายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทแต่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องแต่งลมให้ลมหายใจเข้าตามปกติหายใจออกตามปกติเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้แล่ละคือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นให้สิทธิ์ของท่าน ปฏิบัติไอ้นนี้คือพยายามตะล่อมความรู้สึกที่มันแตกกระจายกระเซ็นกระไซรอบโลกจักวานที่มันปุงฟุ้งซ่านนะ่ะให้มันมาอยู่จุดเดียวที่ลมหายใจเข้าที่หายใจออกนี่แหละถ้าเราไม่ใหม่มันก็ทธรรมดาจิตใจมันเคยออกนอกลูก่นอกทางเคยปุ่งฟุ้งซ่านมาตั้งแต่ดึกําบันมาแล้ว เราจะมาทำปุบ ป, ปรับเพียงหนึ่งนาทีสองนาทีจะให้มันสงบทีเดียวอย่างนั้นมันก็คงจะยากถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คงอดีตแต่ชาติก็คงจะเคยเป็นลือศีชีพายเคยเป็นนักพลดนักบวชมาแล้วเคยภาวนามานมนานพอมานั่งภาวนาในภพนี้ชาตินี้เคยอดีตแต่ชาติเคยมีอุปนิสัยแล้วนะพอนั่งภาวนาปุ๊บมันจะติดปร๊บกาหนดอยู่นิ่ง เอออันนั้นแปลว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแต่โดยมากเก่าหรือไม่ก็ตามท่านเรานั่งมันยังปุงฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องใช้ความพยายามบังคับจิตใจให้มันอยู่กับกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบผลแห่งความสงบหรือความสุข เกิดจากความจิตใจสงบถ้ามันสงบนิ่งมีความสุขในความสงบนั้น mm. เพียงแค่นี้ก็ mm. น่าจะได้ mm. ริมรถพ mm. ระธรรมคำสอนของพ mm. ระพุทธเจา้า mm. หรือแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วนะอันนี้ว่ า, าจิตเข้าสู่ความสงบ mm. เป็นเบื้องต้น mm. เพียงแค่นี้เราก็ ออมีความสุขเย็นจิตเย็นใจพอสมควรแล้วออคล้ายๆว่าเข้ากระแส เ, ออเข้ากระแสที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะเข้ากระแสนีออ้แต่พอเรานั่งไปนานๆจิตใจของเรายิ่งมีความสงบเนื่องไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่กระสับกระส่าย อ, อ, อันนี้เราก็มีความสุข เมื่อขั้นตอนต่อไปเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาทางวิปัสสนาจะค่อยว่ากันไปอีกอันนั้นคือศึกษาในขั้นตอนต่อไปอันดับแรกก็เ น, น, น่เอาความสงบให้เป็นพื้นฐานได้ซะก่อนถ้าว่าจิตใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเรายังปุงฟุ้งอยู่มันก็ยังไม่รู้รสหรือรู้คุณค่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราจิตใจฟุ้งฟุ้งซ่านนั้นฤิของมันเป็นยังไงพวกเราถึงจะไม่ได้รับเต็มที่ ก, ก็คงจะเสียดเสียดบางคนก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องที่กระเทือนใจพ่อแม่ล้มหายตายจากหรือสามีภรรยาลูกหลานเรื่องเงินสกมทรัพย์สมบัติ พัดภาคอยากไปพวกเราคิดปุงฟุ้งหนึ่งพวกเราคงจะรู้ลิศเห็นลิศมันพอสมควรบางทีมันนอนไม่หลับตาแดงเพราะมันคิดมากคิดมากมันสุกไหมศีษาก็ปวดมันร้อนทั้งตัวเลยร้อนทั้งศีษาด้วยมันสุกไหมนี่แหละอันนี้ความปุงฟุ้งสร้านเพียงแค่นี้เราก็พอจะรู้ลิศได้แล้วว่าจิตใจของเราปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเย มีความทุกข์แต่จิตใจสงบเน่งเราอยัางไม่เคยริมรดแต่ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจา้าทนตรัสครูบาอาจารย์ท่จจานนำพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พวกเรารู้พอรู้ได้ว่าความปรุงฟุ้งซ่านเป็นความทุกข์จริงแท้แน่นอนเพราะได้เจอกับตัวเอง แต่นัตถิสันติคำนี้ข้าพระเจ้ายังไม่รู้เพราะนั้นขอให้พวกเรานะพยายามกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นะนะเป็นหลักนะเราคิดปรุงฟุ้งมาหนนนมนานแต่ข่าวนี้เอาเธอบังคับไม่ให้มันออกไปข้างนอกดูสิเป็นยังไงถ้าเราพยายามทำจิตใจให้สงบได้ในระดับใดระดับหนึ่งเราก็จะรู้ ได้ริมรถที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นะอาต่อนนี้ไปประสงค์จานุโมทนาให้พรรับพร